บทที่สามสิบเจ็พระเทพสังขวุธาจารยในหล่อขับรถไปส่งท่านพระครูและนายวิโกที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชีเพื่อที่ท่านกับลูกศิษย์ชาวต่างชาติจะได้ต่อรถไฟไปยังนครราชสีมาอันที่จริงเขาตั้งใจจะไปส่งถึงจุดหมายปลายทางเพาว่าท่านพระครูไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นท่านบอกว่าเกรงใจภรยาแล้วก็แม่ยายของเขา นายหล่อไม่รู้เรื่องที่แม่ประยงและนางนวลติดใจหลงไหลฝีมือการตีรนาฏของหนุ่มเจริญเมื่อ24ปีก่อนและท่านพระครูก็ไม่เคยแย้มไพรยเรื่องนี้ให้เขาได้ทราบด้วยถือว่าไม่ใช่กิจของสมณะและหลวงพี่จะกลับวันไหนครับผมจะได้มาคอยรับนายหล่อเรียนถาม หลังจากที่ไปซื้อตั๋วรถโดยสารมาส่งให้ในายวิโก้เป็นผู้ถือแล้วอย่าลาบากเลยข้าไม่อยากรบกวนเองมากไปกว่านี้รบกงรบกวนอะไรกันผมปรารณาไว้แล้วว่าชีวิตนี้ขออุทิศถวายแด่หลวงพี่ที่เคารพตั้งแต่รอดตายมาคราวนั้นผมก็ถือว่าชีวิตของผมเป็นของหลวงพี่ สามีแม่ประยงพูดอย่างระลึกนึกถึงบุญคุณของหลวงพี่ข้าไม่รู้จะเอาชีวิตเองไปทำอะไรถ้าขายก็คงไม่ได้กี่สตังค์แล้วก็คงไม่มีใครซื้อนอกจากแม่ประยงท่านพระครูยว้วและยวนในเวลาเดียวกันนายวิกโก้ยืนฟังการสนทนาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มผมไม่แน่ใจว่า เขาจะซื้อหรือเปล่าเพราะผมไม่หลอกแต่ถ้าหลวงพี่เขาซื้อแน่ๆท่านพระครูเกิดอาการแน่แดงขึ้นฉับพลันหากหนุ่มใหญ่ไม่ทันสังเกตพูดอย่างนี้แปลว่าเองยอมรับแล้วใช่ไหมว่าข้าหลอกว่าเองก็ไหนเมื่อก่อนเถียงคอเป็นเอ็นว่าเองหลอกกว่าข้าพูดเขนิขนๆผมก็แกล้งเถียงไปอย่างนั้นแหละ รู้ว่าตัวเองน่ะหล่อแต่ชื่อส่วนคนที่หล่อจริงนั้นต้องหลวงพี่จเจริญทั้งหลอ่อทั้งจเจริญเขาแซงยอเอาละเอาละเองไม่ต้องมายอข้านี่เองเห็นข้าเป็นคนบ้ายอไปแล้วหรือยังไงเปล่าล่ะครับผมไม่ได้เห็นอย่างนั้นเพียงแต่เห็นว่าเวลาผมยอแล้วหลวงพี่อารมณ์ดีก็เลยต้องยอบ่อย ผมอยากเห็นหลวงพี่อารมณ์ดีนะครับโบราณเขาว่าคนที่อารมณ์ดีมักอายุยืนผมต้องการให้หลวงพี่อายุยืนหมื่นปีสามีแม่ประยงพูดเป็นต่อยหอยความสุขของเขาคือการได้ยั่วย้าวหลวงพี่ที่เครารพขณะนั้นรถไฟได้แล่นเข้ามาเทียบชานชลาสถานีการสนทนาจึงยุติลง นายวิกโก้ยกมือไหว้ขอบคุณผู้สูงวัยกว่าแล้วจึงเดินตามท่านพระครูไปขึ้นรถไฟเมื่อทราบจุดประสงค์ในการมาของนายวิกโก้เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์ก็อนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของเขาที่มุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนท่านเองก็ได้ตั้งปณิธานไว้อย่างนี้เหมือนกันนับตั้งแต่บรรพชาเป็นสมณีเมื่อ อายุได้9ก้าขวบท่านก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปริยติธรรมและสอบได้ป ร, ริยนธรรม9ก้าประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรครั้นอายุ20สิก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในนิกายธรรมยุทธ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมากระทั่งดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพสังควุฒาจารย์หากคนทั่วไปก็ยังคงเรียกท่านว่า เจ้าคุณศีสลสารวิสุทธ์อันเป็นสมณศักดิ์ที่ท่านได้รับเป็นครั้งแรกขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระเดชพระคุณระลึกชาติได้ตอนไหนครับนมตางแดนเรียนถามตอนที่เด่นกระดุกกระดิบอยู่ในกระด้งนั่นแหละทําไมจึงดิ้นอยู่ในกระด้งครับเขาสงสัยก็สมัยนั้น เขาออกลูกกันที่บ้านไม่ได้ไปออกที่โรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้ท่านตอบออกลูกก็คือคลอดลูกแล้วใครเป็นคนทำคลอดครับหมอตาแยซึ่งไม่ได้เป็นหมอจริงๆแต่เป็นพวกผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการออกลูกเลยชำนาญในการทำคลอดพอเขาออาเด็กออกก็ตัดสายสะดืออาบน้ำอาบท้าให้สะอาดแล้วห่อไว้ในกระดง้ง เอาผ้าจงกระเบนของผู้หญิงมามัดเป็นโปง่งคลุมไว้กันยุงกัดเขาจะเอากระดง้งที่ใส่ทารกคลอดใหม่นั้นไว้ข้างๆแม่จึงต้องอยู่ไฟอีกสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเพื่อให้หมดลูกแห้งเจ้าคุณวัยหกสิบเศษอธิบายถึงกรรมวิธีในการคลอดบุตรสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญเท่าปัจจุบัน พระเดชพระคุณขอรับกระผมก็เคยเป็นหมอตําแยทําคลอดให้พี่สาวท่านพระครูกราบเรียนเมื่อนึกถึงความหลังครั้งอดีตอ๋ออย่างนั้นหรือคุณไม่เคยออกลูกแล้วจะมีประสบการณ์ได้อย่างไรท่านถามอย่างอารมณ์ดีมันจําเป็นนะขอรับตอนนั้นกระผมอายุ16กําลังเรียนมัธยมสาและท่านจึงเล่าประสบการณ์ในครั้งกระโน้นถวายเจ้าคณะจังหวัด พระเทพสังควุธาจาร์รู้สึกเพลิดเพลินกับเรื่องที่ได้ฟังด้วยว่าผู้เล่าสามารถสาธยายได้อย่างเห็นภาพพจน์สมัยที่กระผมเป็นเด็กพวกผู้ใหญ่บอกว่าเขาออกลูกกันทางปากบ้างก็ว่าออกทางสะดือเพิ่งจะรู้ว่าถูกผู้ใหญ่หลอกก็ตอนที่ทำคลอดให้พี่สาวนะั่นแหละขอรับท่านสรุป กระผมจะขอความกรุณาพระเดชพระคุณช่วยเล่าเรื่องในอดีตชาติที่ท่านระลึกได้กระทั่งถึงปัจจุบันชาติจะได้ไหมขอรับนายวิโก้เอ่ยขึ้นเมื่อท่านพระครูเล่าจบเขาเปลี่ยนมาใช้กระผมและขอรับอย่างท่านพระครูบ้างได้สิเอาละตั้งใจฟังนะมีเทพมาด้วยหรือเปล่าท่านถามเมื่อเห็นเขาเตรียมบันทึกเสียง ขอรับจะได้เป็นหลักฐานเผื่อว่ามีคนต้องการตรวจสอบดีรอบครอบดีเอาละเมื่อพร้อมแล้วอาตมาก็จะเล่าท่านนั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งเพื่อทบทวนความทรงจำแล้วจึงเลิมตาและเล่าว่า ชาติที่แล้วอาตมาเกิดเป็นลูกชาวนาอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องเจ็ดคนอาตมาเป็นคนเหนือนมมีน้องสาวชื่อเหมือนคนเหนือนมเป็นอย่างไรขอรับนุมต่างแดนไม่เข้าใจอออาตมาก็ลืมไปว่าโยมเป็นชาวต่างประเทศจึงไม่เข้าใจสำนวนไทยโบราณ ในท่านพระครูช่วยอธิบายหน่อยซิว่าคนเหนือนมคืออะไรภิกษุวัยใกล้40จึงอธิบายว่าคนเหนือนมก็คือลูกก่อนคนสุดท้ายเช่นครอบครัวที่มีลูก10คนคนเหนือนมก็คือคนที่9ส่วนคนโตก็เรียกว่าคนหัวปีคนสุดท้ายเรียกว่าคนสุดท้อง ท่านพระครูอธิบายแล้วคนที่สองถึงคนที่8มีชื่อเรียกพิเศษไหมครับไม่มีเขาก็เรียกคนที่สองที่สามไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีลูกจำนวนขี้คนที่อยู่กลางเขามักจะเรียกว่าคนกลางเช่นมีลูกห้าคนคนที่สามคือคนกลางถ้ามีเจคนคนกลางก็คือคนที่สี่ คือมีพี่สามน้องสามแล้วจึงพูดกับพระเทพสังควุทาจารว่ากระผมมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อแม่เขามีลูกสิบห้าคนเขาก็อายที่จะบอกกับเพื่อนๆ เ, เวลามีคนถามเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนกลางกระผมก็ช่วยขยายความว่ากลางของเขาก็คือคนที่แป เพราะมีพี่สาวเจ็ดน้องสาวเจ็ดเขาโกรธมากไม่พูดกับผมไปหลายวันก็เข้าอายไปล้อเขาก็โกรธนะสิคนเข้าอายก็อย่าไปล้อขอรับกระผมก็ลืมที่โยมยายพร่ำสอนว่าคนเข้าอายอย่าไปล้อโยมยายสอนไว้เป็นคำครองจองกันเลยขอรับสอนว่า คนบ้าอย่าถือคนดื้อย่าสอนคนจอนอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าลอ้อคนมาง้อขอโทษอย่ากโกรธเคืองโยมยายสอนไว้อย่างนี้ขอรับฟังดูรู้สึกว่าโ ย, ยมยายของท่านพระครูเป็นคนเก่งนะขอรับเก่งที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่น้ำเสียง บอกถึงความภาคภูมิใจบุพการีที่ท่านรู้สึกผูกพันรักใกล้นายวิโก้ชอบฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าหากก็เกรงจะเสียงานจึงพูดอย่างเกรงใจว่าพระเดชพระคุณขอรับกระผมขอนิมนต์เล่าต่อขอรับถึงไหนแล้วละ่ะเจ้าคณะจังหวัดถามถึงตอนพระเดชพระคุณมีน้องเจ็ดคนมีน้องสาวชื่อเหมือนขอรับอ๋อ น้องสาวผมคนนี้แหละที่อาตมากลับชาติมาเกิดเป็นลูกชายเขาคือเขาเป็นโยมแม่ของอาตมาในชาตินี้เมื่อชาติที่แล้วอาตมาเป็นพี่ชายเขาก็อย่างที่เล่ามาว่าอาตมามีพี่น้องเจ็ดคนพี่ๆห้าคนแต่งงานแยกครอบครัวไปอยู่ที่อื่นอาตมาเป็นคนเหนือนมยังไม่ได้แต่งงานจึงอยู่กับแม่ที่บ้าน ส่วนเหมือนเป็นลูกสาวคนสุดท้องพอแต่งงานพ่อแม่ก็ปลูกบ้านให้อยู่ใกล้ๆกันอัตมาก็สนิทกับน้องสาวคนนี้มากเพราะเคยเล่นด้วยกันมาสมัยเป็นเด็กขอประธานโทษและท่านมีคู่รักหรือเปล่าขอรับท่านพระครูเรียนถามพระเทพสังควุาจาร์ตอบทันทีว่าไม่มีผมไม่สนใจใครเลยพ่อกับแม่ ก็เที่ยวไปทาบถามลูกสาวบ้านโน้นบ้านนี้จะให้แต่งงานกับผมแต่ผมไม่ถูกใจใครสักคนคิดแต่อยากจะบวชตอนนั้นอายุ19ตั้งใจว่าพออายุยี่สิบก็จะบวชไม่สึกพออายุครบ2ี่ิยังไม่ทันได้บวชก็มาตายเสก่อนแล้วคุณละ่ะเคยมีคู่รักบ้างหรือเปล่าท่านถามพระครูจเจริญ ก็เคยมีเหมือนกันขอรับคือก่อนมาบวชกระผมมีอาชีพทางเล่นแล้วก็สอนดนตรีไทยสาวแก่แม่ไม้ติดกันเกลียวเลยมีอยู่รายหนึ่งเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีอยู่ที่อำเภออินเขาอยากได้กระผมไปเป็นเคยขอประทานโทษเรื่องมันยาวขอรับหากเล่าละเอียดก็เกรงใจวิโก้เดี๋ยวงานเขาจะเสียกระผมขอสรุปรวบรัด ตัดใจความว่าไม่ได้แต่งงานกันเพราะกระผมไม่มีโอกาสได้ลาศิกขาเขาก็เลยแต่งงานกับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วขอรับประเดศพระคุณเป็นอะไรตายขอรับกระผมหมายถึงเมื่อชาติที่แล้วในวิโกถามเป็นไข้าตายสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญคนมักเป็นไข้าตายกันมาก อาตมาเป็นไข้ป่านอนสมอยู่หลายวันระหว่างนั้นน้องสาวอาตมาเขาออกลูกอาตมาอยากไปดูหน้าหลานแต่ก็ลุกไม่ไหวเพราะป่วยมาหลายวันอาตมาเห่อหลานเพราะเพิ่งจะได้เป็นลุงเมื่อก่อนเป็นนา้าเป็นอาเพิ่งจะได้เป็นลุงกับเขาอีกอย่างหนึง่งอาตมาก็รักน้องสาวมากจึงอยากจะไปดูหลาน แต่ไปไม่ได้ขอประทานโทษตอนนั้นพระเดชพระคุณมีชื่อว่าอะไรขอรับนมจากต่างแดนถามอีกอาตมาชื่อเรียนนายเรียนบุญนาข้าวน้องสาวชื่อนางเหมือนเพียรทำนาเขาใช้นามสกุลผัวเก่าน้องเคยอาตมาชื่อในเงินเพียรทำนา ตอนจะตายเนี่ยมันทรมานจังเลยท่านพระครูตอนไฟธาตุกำลังจะดับอินทรีกำลังจะแตกทรมานอย่าบอกใครผมถึงได้เข้าใจในชาตินี้ว่าคนที่ไม่เคยฝึกจิตจะไม่สามารถบังคับจิตให้สงบได้เลยเวลาดับจิตถึงไปอบายอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไวช้ชัดเจนจิตเตสังกะลิเท ทุขติปติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุขติเป็นอันต้องหวังคนที่ไม่เคยฝึกจิตส่วนมากจะต้องไปสู่ทุขติเพราะอสัณกรรมพาไปขอรับอย่างที่เขาเรียกกันว่าหลงตายคือตายอย่างขาดสติ สติตัวนี้สำคัญมากนะขอรับพระพุทธองค์สมเคราะห์สติไว้ในธรรมมีอุปการะมากที่วัดของกระผมมีการสอนกรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐานสดีดีมากขออนุโมทนากับท่านพระครูการสอนคนให้มีสติได้อนิสง์มากทุกวันนี้คนเราก่อกรรมทาชั่วกันมากก็เพราะขาดสติ คนที่ขาดสติทำความชั่วได้ทำได้ทุกอย่างและสิ่งที่จะนำไปสู่การขาดสติคือสุราเมรยัยกระผมอยากจะขอความกรุณาพระเดชพระคุณบรรยายถึงสภาวะก่อนจะดับจิตขอรับนายวิโกพยายามนำเข้าสู่จุดมุ่งหมายมันทรมานอย่างที่พูดมานั่นแหละเพราะชาตินั้นอาตมายังไม่เคยฝึกจิต ก็นอนทุรนทุนทนรายอยู่ในเรือนใจก็คิดว่าเหมือนมันออกลูกไปดูมันหน่อยพอใกล้ๆจะขาดใจรู้สึกกระสับกระสายจึงตะแคงตัวพอตะแคงตัวก็ขาดใจทันทีแต่อย่าลืมนะจิตมันเกิดดับเกิดดับเป็นสัน ต, ติพอใจขาดก็คือจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดทันที ก็หายทุกทรมานเห็นตัวเองนอนตายอยู่ก็ลุกขึ้นยืนที่เขาเรียกกันว่าวิญญาณออกจากร่างกายที่ยืนไม่ใช่กายเนื้อซึ่งเป็นกายหยาบแต่เป็นกายทิพหรือกายละเอียดกายทิพก็ลุกขึ้นยืนแล้วแวบไปที่บ้านของน้องสาวซึ่งกำลังนอนอยู่ไฟไปยืนดูหล้านชาย พอดีน้องสาวเห็นเข้าเขาก็พูดขึ้นว่าพี่เอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอสงสัยเขาจะรู้ว่าอาตมาตายแล้วและก็คงจะกลัวถึงได้เผลอเรียกอาตมาว่าพี่ซึ่งปกติเขาจะเรียกว่าอาอซึ่งแปลว่าพี่เป็นภาษาอีสานพอเขาบอกอย่างนั้นแล้วพระเดชพระคุณทำอย่างไรขอรับ นมต่างแบนเรียงถามอีกอาตมาก็อายอายน้องสาวว่าตายไปแล้วยังเป็นผีมาหลอกเขาแต่ความที่อยากเห็นหลานก็เลยเปิดปงโปงเชโกเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกตัวหมุนติวต้วๆพอรู้สึกตัวอีกทีก็นอนกระดุกกระดิกอยู่ในกระดงเลยจำชาติได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพูดกับ ภิกษุอคันตุกะว่ามันก็แปลกนะท่านพระครูผมเพียงอยากจะดูหน้าหลานแต่ทําไมกลับกลายไปเป็นหลานเสเองทําไมจึงเป็นเช่นนั้นไปได้แสดงว่าพระเดชพระคุณไม่ได้ปฏิสนธิในคันมีวิญญาณดวงอื่นมาปฏิสนธิอยู่ก่อนแต่ตอนที่พระเดชพระคุณชะโงกหน้าไปดูวิญญาณดวงนั้นได้ทิ้งร่างไปแล้ว ท่านพระครูอธิบายก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเปรียบเหมือนผมเดินทางรอนแรมมาพบเรือนร้างว่างเปล่าเลยเข้าจับจองเป็นเจ้าของท่านเปรียบเทียบพอจำได้แล้วประเดศพระคุณทำอย่างไรขอรับนายวิกโกถามอาตมาทำอะไรไม่ได้เพราะกลายเป็นทารคไปเสียแล้วจะพูดก็พูดไม่ได้เวลาเข้าให้กินนมก็ไม่อยากกิน มองหน้าเขาอยากจะบอกว่าข้าเป็นพี่เองนะแต่ก็พูดไม่ได้ครั้นจะไม่กินก็หิวอาตมาก็เลยต้องยอมเป็นลูกน้องสาวพอพูดได้ก็เรียกเขาว่าเหมือนเรียกน้องเขยซึ่งกลายมาเป็นพ่อว่าเงินเรียกตายายว่าพ่อแม่พวกผู้ใหญ่ก็พากันพูดว่าสงสัยไอเรียนกลับมาเกิด เด็กที่จำชาติเก่าได้จะอายุสั้นต้องทำให้มันลืมชาติเก่าเขาว่าอย่างนั้นเขาไปหาไข่หลงรังมาให้กินใช่ไหมขอรับพระครูจเจริญดาถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีกว่าแต่นี่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาจับข้อเท้าผมแล้วหมุนหมุนหมุนจนเวียนหัวติ้วติวเลยอาจเจียนซะไม่มีดี เขาว่าวิธีการเช่นนั้นจะทำให้ลืมชาติก่าวได้ทีนี้พอผมพูดว่าผมคือนายเรียนที่ไรเป็นถูกจับเท้าและเหวี่ยงวนๆทุกทีจนผมเข็ดไม่กล้าพูดอีกแล้วผมก็ไม่ทำบาปเลยมีคนเขาเอาปูเป็นปลาเป็นมาให้ผมก็เอาไปเทลงน้ำหมดจนพ่อพูดว่า สงสัยไอศีลมันจะเป็นลูกพระมาเกิดเขาตั้งชื่อผมว่าเด็กชายศีลพ่อผมอายุได้9ก้าขวบพ่อก็พาไปฝากบวชเนนที่วัดก็บวชมาตั้งแต่นั้นพออายุครบบวชพระก็ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศีลสารวิสุทธ เมื่ออายุ40แล้วก็ได้เลื่อนเป็นชั้นราษและชั้นเทพตามลำดับท่านบอกนายวิโก้ว่าลองเอาไปวิเคราะห์วิจัยดูนะว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นอาตมาก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ได้ผลว่ายังไงก็ส่งข่าวมาให้รู้บ้างขอรับกระผมจะรายงานผลวิจัยให้พระเดชพระคุณทราบ ทันทีที่ทำเสร็จเขารับคำหนักแน่นผมว่าถ้ามนุษย์ระลึกชาติได้ทุกคนก็ดีนะท่านพระครูเขาจะได้กลัวบาปแล้วก็สร้างแต่บุญกุศลเพราะรู้ชัดแล้วว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปบุญมีนรกสวรรค์มีอยู่แต่บางคนถึงเชื่อก็ยังขืนทำอย่างเช่นพวกที่ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น มักจะพูดว่าเวลาตายจะเอาเลื่อยใส่โรงไปด้วยจะได้เอาไปเลื่อยต้นน้ำงิ้วเขาว่ากันอย่างนี้ขอรับคนพวกนี้งโง่ที่สุดที่คิดอย่างนั้นเอาเธอไว้ไปปีนต้นงิ้วแล้วจะรู้สึกพระเทพสังฆวุตตาจารย์พูดอย่างโปรงสังเวช